บริโคนิยคออมคือชอบแต่ผลไม่ชอบเหตุปุดท้ายคือชอบแต่ผลไม่ชอบเหุแค่คำสองคำามันก็ขัดกันกันมาขัดกันชอบแต่ผลไม่ชอบเหตหไม่ชอบทำาหตแต่ชอบผลงังนเราไม่ชอบทําหต นั vida, in, hmm. points, ่นเราไม่ได้ทำเหตุผลกัเ so กิดขึ้นที่เกิดขึ้นะพูดถึงว่าบริโภคชอบจะบริโภคไม่ชอบทำชอบแต่ใชแต่สอนแตนไม่เขบขมีความชอบสะดวกสบายแต่ไม่ได้ทำใหเกผลว่าสิ่งที่มาเกี่ยวข้าคืออะไรบ้างเป็นอะไรบ้าง มีสความต้องการของมนุษย์ของจัต์ทุกครู่ทุกหน้ามีความต้องการอย่างนี้แต่ตรงมันข้ามขับหลับคำสอนของทระพุทธเจ้าของเราท่างบอกว่าต้องมีเหตุถึงจะมีผลเพราะทำทั้งหลายนั้นเกิดแต่เหตุ เป็นธรรมดาความดับเป็นธรรมดาธรรมะที่เกิดกับดับต่าง้คือเกิดแต่เตุและก็ดับเพราะเหตุเตก็คือสมุทัยเียและเกิดทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นจากเหตุและความทุกข์ทั้งหลายที่ผูกต่างๆนี้ดับได้เพราะเหตุหรือาเหทั้งหลายที่ผูกเกิดแต่เหต คือจะเรียกว่าสมุทัยจาเห็นเกิดทุกข์ดับก็คือดับสทัยจะเห็นได้เกิดทุกข์คือดับกิเลสก่เลสจเห็นได้เกิดทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายทั้งวงทังสัรมันจะดับได้ก็เพดับเองคือดับสมุทยที่ดับเหตต้นตอแห่งกองทุกข์คือหลับควมจรนี้อยู่นี้เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าหากเราจิ้ไหลคำเหต เกาะันทำตลาดอยู่แล้พวกเราต้องอมองมเลยนี่งงมงมสาวหาแส้หางมงมคำว่าวงงมก็คืองมหางมส่งส่ ม, สมเอ า, ดาเด า, าเอาค่าดเอาเดาเอาซึ่งเป็นเรื่องของเงินที่มันถนัดอยู่แล้วสัญญาน ยาที่มีพลังศีลเราเอาค่าเอางมเอานี่คือคือทิ้งหลักคือทิ้งหลักของเหตุกับผลน้ะถ้าเราจับหลังนี้ได้เราที่สุดมหภาเที่ถึงไม่ยากอะไรเป็นอแทริงทั้ไหลาที่เตียมสุขความสุขทัไหลาที่ผมเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาจ ความทุกข์ทั้งหลายท่วงเกิื่อนขึ้นก็ขึ้นมาจากสิ่ีเราต้องการความสุเขาก็เไปความสุขอะไรที่เห็นเห็นความสุกขที่แท้จริงเขาเลย้องการมันก็ว่าเราต้องการความสะอาดต้องการความบริสุทธิ์เราก็ทำรักให้สะอาดทำรักบริสุทธิ์ทำรักนดยธีไนรักป็นดีไปรักโดยดีไป ไม่มีรกล่าวเ่องที่ผิดไปทำไปอย่างตรงเฝ้าตรงเหตุตรงผลที่แิเพราะฉะนั้นนี่ไในหลักองศาสนาพุทธไปที่ ไ, ไม่ใช่หลักของศานาพที่ึงเป็น จ, เ ป, นจเป็นการที่ไปเผมาเอมาถึงไปี่อในวะผิวเิมันจะแก่อะไรที่แจริงในที่สุดก็ในที่คว่าศรัทธานในสุดคว่สสาศรัทธาที่ชื ถ้ามาเชื่ออะไรี น, 네 uh นี้ไม่ใช่กาเชื่อเพื่อเห็นผลเ็นการให้เชื่อตามคาบอกเชื่อตามคาบอกเล่าตรงเอนี้นะนี่เป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้มีความเชื่อซึ่งตรงควาขัดข้องกับซึ่งตรงกัรข้ามข้ามกับศรัทธาของทธศาสนาของเราศรัทธาวินัย จากพวกเราไปโดยที่เขาน้องต่อการแก้ทุกที่แท้จริงถึงหลักถึงขั้นลึกลงไปถึงขั้นป ร, งรงมงประมงฐานที่แท้จริง ทังพีชต้องบอก วันนี้คุณคี่คก็คือคนจะจเป็นคนที่นึงคุณพี่คุาคุก็คือตัวค้าตนสา ม, มารถที่รู้จิตเจ้าตรงประเด็นออกไปเลยเป็นหลัยความดีทั้งหมดตัวค้าจะทำะะเป็นหลันแรกดูดีคุณตคุณเก้าประจําคุณห้าหระจําคุณเก้ า, า, มกาไม่ได้ Nelson ที่โปรงใสเอไว้คนทัางหลายต้องโปรงทางตาไว้น่อยแต่ิงที่เรานำมาสึกามาพิจารณามาค้นควาให้เกิดความเชื่อในความถู้อาเชื่อว่าจะยเกิดความเช่ว่าจะเอาความเชื่อมชื่อความเชื่อแทนได่ใช่ความเชได้ด้วยกา้พยายาที่คุณ ก็คือนการศึกษาพระศาสนาให้บ่อสุทธิ์ให้บริบจรณ์มีสูงทกศชุ่มยามาสมบูรณ์แบบแต้งไปหมดเป็นพระศาสนาพระองเป็นจุดแสนแนะนามากงผ้ีคนที่ได้ที่ตามมาที่คือพระมหากรุณาตอนเลือกถึงคำงานของโปะครัคความเชื่อใจการโตรควาทุกข์ที่พวกเรายังเป็นแม่ในของ เราก็อยากพ้นกทุกข์เหมือนโรงเมื่อเราอยากพ้นัากความุอาศัยความเดิมใลายศรัทธาที่เราพิจารณาเขียนแล้วนี้ก็เปนได้เราควบมภาคภูมิจอากได้อยางี้อกมียากเป็นเหมือโกรกอยกมองที่สุกมัเกิดจะเกิดสนานะเหมือนพระโกรกทำให้เเกิดความภาคภ Okay. <laughs> ยังเคพ่ทงท่าละละเอียดรออก้นไปล่าเรี่ อ, อยๆรอกึ้ขั้ น, นสิ่งที่นำประกอบกับอารมณ์ข้างในที่สดขสีาวารมกำมั่นเราก็สามารถจะมีสติมุ่เป็นอยางมากำกับคิดอะไรได้โดยลเอีย มุาทายคือธ์เกิดทั้งหมดสารหาตาสวะที่เด็กทำหาอาสวะวิชาอะไรแล้วแต่เป็าานรื่องขอเกิดทั้งหมด นมอวตามหลักที่พุทธเจ้าเป็นสอนให้แก่เรนลงแมอกตามหลักของศีลของผนเมื่อเราเทราบหลักเหตุผลอันนี้แล้วก็กระจายออกไปทั้งนองทุกสิ่งทุกอย่า ง, งก็จ เ, เกิดจากคลนั้นซึ่งอย่งนี้ไม่มีอะไรเป็น เ, เนชือถือเหมือน อ, อ, อย่างฝนตกเอนียพายุเเนี่ยพาแรลสีกเออนี่ยพารรองอีกพาถผายเนี่ย เราพิจารณาสิ่งบนรดาที่ไหนมีมี้มันเกิดขึ้นจากเดียวกคนของหลายธรรมาทั้ ง, ทในในทงนั้นความสุขความทุกข้องคนมเัเชืนอมโย ง, งกันนะเราเวลาเราได้รับความทุกขึ้นมาเราเขามาในนีถึงสิ่งที่เราลองท่า น, น, นจะทาอันนี้จะทำที น, นี้จะทำไปเหตุจะทำอะไรจะทำสัมัาร์ถึงครอบถึงแน ว, นแนวตก ชะตามีครอมีรู้อะไรทืะตาไม่รูอะไรทีอบหัมเมื่อเราไล่ตามหลักนนที่พุทธเร้าทรงสองนจริงๆนะครับมีแต่เรื่องของกรรมนะการกรรมซึ่ือการลงมือทำเหตุอะไรอย่างนี้นั่นแหะื่อประกอบกรรมนะครับเทหแห่งความจบผลก็ทําได้รับความสบเทห์แห่งความทุกควผก็ต้องได้คัควา ม, hey, hey, วา ม, วมทุกข ไม่อยากอากาศหนาวเราก็ได้รับกัากายเรานมื่ออากาศร้อนอากาศไปรับความอความร้อทไปที่ที่ก็เป็นแนตุ้ยาเปนกดาเหมือนเนือร้อนใเห็นในที่ที่ที่มีที่งานที่ถูกที่ชอบก็ได้รเลยได้รับความกระตุนเจริบเจริบตารบ มาาเด็กมาจากต่ละนอาจารย์เราพิจาณหลักคกับนนี้ตามหลัของผูมิจัรส่งสอเหมือนกเป็นกานเปด้ว้างให้กัเราเปิดทางเลยพวกร้ทำใเราัลับหน้านีคือสมุทสมไทยเป็นทุกสิ่งทกเป็นทุกสมุทัยจะเป็นทุกสมุทยสั มัธแฐานจัดจ่ายอัยยศถ้าเราบอกว่าทำไมเราถึงได้รัได้ทันนันข้นน้หักของอัยยศถ้าเรียกว่าอัยยศเข้าสู่อัยยศในที่เราพิยังไม่ไมงได้นั้นเเรียกว่าสัจจิจราตหนักของสัจจจาตำหักของอัยยศ พอเวาได้ประสบผลขึ้นมาก็ได้วอันย่มักอันย่อผลสมุทัยมีโรนมามีโรคมันถึงความดับทุกทุกสมุทัยสมุทัยเป็นเดือดทุกผลดับสมุทยเป็นเยือดับสมุทัยเป็นเยือดับสมุทยเป็นเดือมีโรคคือความดับ สองกับทุก อ, อ น, นี้ก็เป็นผน mm hmm. การประกอบมาจการประกอบมัจเป็นไรปรกอบด้ว mm hmm. เพราะยาตัดกันได้แล้วก็เป็นวนเป็นนิโรธเป็นนิโรี่หตุกับผลเหตสองผลสองในหลักของวิทยาัาสตร์ที่เราพิจารณาดูเราเี่ยวมาพิจารณาดูมาคลีกคลายเหตุเหนก็คือสมทย เหตุการณันก็คือมันมันก็คือการเจริญมักก็คือวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติคือวิธีการมต่อการกันกลับที่เนี่ยเก็ดสมาธิเกิสมาธิเกิดสติมันไม่ใช่ยักเข้ามากลับพี่เจริาให้จิตได้นับความสงบการที่เราภาวนให้จิตได้นับความสงบมันก็เป็นการชะลอความยึดงลนของจิตในภายในจิตให้จิตหยุดกับอะไรมัน ไม่ติดดูกับอารมณ์นี้อยูติดก็รับควาฟังสอยู่กับอารมณ์นี้เขายังติดดูกับอารมณ์ันนั้นนะครับเพากลับไปรกเานาไปเนี่ยติดิิกับอารมณ์นี้คือเราพูดถกก็กลับไปรื่อยกลับไปเรื่อยๆ่ิดกับอารมณ์นี้แั้ไม่ติดดูกับอารมณ์นี้ความสื่อสักของเขาเอที่มันมีอยู่ภายใน ที่มันมีกำลังอทู่ข่าไหนมันก็แสดงออกมาได้โอกาสที่มันจะเป็นคิดรับคิดชังคิดโลดคิดโกรกคิดออกนอกโลทกทำอะไรเล่ผมเข้าคิดไปไม่ได้เนะื่องจาว่าเราบังคับให้มันอยู่กับอารมณี้จิตก็ได้รับความสงบอยู่กับอารมณมันมีสิ่งที่บังคับให้ข้าอยู่ย 10, ไ, ได้คือสติก็สมาได้จิงที่เป็นอารมณ์ก็คือธรรมนิยม พุทโุทโธพุทโธพุทโธอิจฉาบริรรมคำาบริกรรก็คือเอาจเอาผู้รู้เนี่ยมาทำรีพุทโธพุทโธพุทโมาทำรีื่อมันเนี่ยมันี้ที่พาก็ว่าไปเรก็ไปความรู้ตัวยกับเนื้อกัตัวที่ความ เนี่ยนะเราจะเราจะเริ่มเห็ว่าวิธีการต่อกรตัดเยื้อเริ่มไปกั้งแต่การทำกิตให้ได้รับความสงมันอยู่ในงองคของอะไรนะจ๊ะทุกขุมไทยที่รอดมาเนี่ยมันเรื่มต่อกรกัแนแล้วมันเริ่มต่อกรตั้งแต่การเริ่มทาจิตให้ได้รับความสงบเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นเหตุเห็นผลอันนี้แล้วเรามีกิจกรจที่เรา จะตั้งใจทาให้สิตเราความสงบเนื่องจาว่า น, นี่เป็ น, นกระแสลมที่เราสามารถถนัดดับจิตไม่ให้มันสแบบนสดงออกมาเป็นการเป็นคราควในระหว่างที่เรามีความส่บจิตของเราเปความสัน ม, มันมมาตา้องยอยู่กับตาเ่อกรรมีจิตกรรมการอยู่ มันจะเชื่อมมันจะชินมันจะอิ่มเหมือนกับว่าเราอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปมันก็เชื่องมันก็เชื่อมกับอารมณ์อารมณ์ที่เราจับให้าอยู่จิตมันก็อยู่กับอารมณ์มันเดียวในเมื่อเขาอยู่กับอารมณ์มันเดียวความอิ่มด้วยจิความอิ่มด้วยสังขัญญาความอิ่ด้วยอารมณ์ที่เราจับให้เขาไว้กัมมเมื่อมเรื่มมความอิม ถึงแม้ว่าเราจไม่บริกรรมเข้าวาสงบเข้าม่าสงบในรับความสงบที่เรียกว่าที่งคำบริกรรมจิตในรับความสงบเป็นสามารถทิ้งคำบริกรรมได้ทิ้งคำบริกรรมได้เย่ก็ไม่สามารถจะมาแทกที่จิตแสดงโดดที่อย่างนั้นอย่างที่จิตเ้าได้เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเขากินงอิ้งด้วยสติกินด้วยสมรรถนะ จิตกากับทำให้ขนใหญ่กำกับกระกอบกับมีความอิ่เ่อที่เรียกว่ามีสติกากับเข้ามงได้รับความสุขได้รับความสงบได้รับความสุอได้รับความเบิกบานได้รับความอัดแน่นที่เรียกว่าต้านมันได้ในสตได้รับความสงบสืิสงบน่อว่าเื่อที่แสดงตัวไม่ได้ มันแสดงตัวแม่จิตก็ได้รับความสเมื่อได้รับความสงบก็เป็นสัวของตัวจิตเป็นตัวของตัวไม่ถูกทุกสิ่งก็เกเถ้าไม่เป็นตัวของตัวแล้เป็นไงแล้วเกเรั็ลาบไปมันก็ลาบีปมันจะกรนทีลาบไปมกไปเจอราคะลาบไปนก็ไปเจอโทสะลาบไปมันกไปเจอโมหะอิจฉาที่เสียพยาบาทได้ราบจากความเร่าร้อน กินไ ป, ปะสบกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนหละนั่นแหละที่ไปผสบทุกเลยความทุกปรากฏที่คิดได้น่ะมันไ ป, ปะสมกับสิ่งเหานั้นอ่ไในรับรความทุกข์เข้ามาอ่ามันก็ไยืดหัวไปหัวยืดหัวไปโลละตีหัวแตกเลือดเลือดประมาแล้วยืนมือไปแล้วเต็ปเลือดเาดตีมือขดเลือดเยิ้มเข้ามา ยืนอะไรอันนั้นไปโดนกี่เรศมันนั้นจะออกขาหักแขนหักหัวแตกกลับมาเป็นถามนันอกมาเลคือความทุกข์ยื่นไปก็ไปเกี่ยวกับทุกข์ยื่งไปก็ไปเกีลยวกัทุกข์เพราะฉะนั้นเราให้ช่อยู่กับเราเป็นดีเขาต้มีความสุขต้องมีความสุขเมื่อไรก็เมื่อไรับความสุขเมืได้รกบความสุขเมื่อไรกบความสุขมัเจะได้ความสุีก ก็ะความสุขเรื่สมาธิมันเป็ปเปมันก็เป็นเพื่อพระัคคการนั่นเองครับมันเป็นรสชาติที่บริสุทธิที่ไม่เกี่ยวข้าไปับที่ตาเราเองนะที่เหมือนกันเหมือนกับเราความสุขครับอาหารก็เรียบร้อยหวานรสมันแล้วเราก็พูดเลยว่าอร่อยเราแต่แต่นี่มันเป็นอารมณ์ที่า ท, ทาให้เรามีดีทำให้เราพอใจคือความสุข เร่งน um the ี้ก็ไม่ตีม่ต้องไมีหนุ่มมากทมันเราเราหยุดเอาความรู้ความคิดอรบางอย่ที่เราต่อสู้กับทีไแ้ขั้นนี้คือความที่มันไปหมดค้งแล้วไปหมดคั้ง้มก็อันนา้สมาชิกมือแทนที่เรียกว่าสตัดมันที่ความีกำลังสติแต่กล้าสติแต่กล้า ถ้าพันธแน่นหนามั่นองเนี่ดเกิดปัญญาขึ่นมาไดเกิดความรู้ไห้ตั้งอยู่ในตังน้ตงตัวได้จะขยายไปยังไงก็เป็นตัวของตัว น, ก น, น, กนึกคิดเพ่งแพร่เกลี่ยนแปลนเพื่อจะสอบหาคนเท้าบาญหาวิธีคือหาหัวประเด็นที่จะใช้ เลนเปลี่ยนแปงทอไทยรักษาต้นตอที่มันมายุเยให้เราก่อให้เราติดให้เราเจ็บเราถี่เราต้องโอกาสที่จะพิจารณาเป็นตัวของตัวมีกาลังในการพิจารณาได้การพิจารณาเท่าไร่าหวงนี่ก็คือพิจารณาที่สุดให้รู้หลักความจริงที่สุดที่ไม่ใช่ว่าจะจจทำมจะจะทของกาวจะจะทำของผิ จาจะทำของกายเป็นอมันท้าทาให้เราขม ค, ควัญจะจะจะทำของจิตคืออะไรเป็นอะไรเขาเป็นเป็นเหตุให้เราสนใจถึงเดินมาคลีคลายที่เกิดท้าท <c oughs> า, ายนะมันก็จะทำถ้าคิดไม่สงบมันจะทำไม่ ป, ปราบกฎถ้าคิดเริ่มสงกมันจะทำะก็จะเริ่มปรากฏ พิจารณาเพื่อให้รู้รอบรู้สัจธรรมอืมพิจารณาเห็นอนิจจ์ทุกขังนักตะเพราะอันนี้เป็นเป็นภาวะของของรูปธรรมเป็นภาวะของนามธรรมที่มันมีเงื่อนไขเราเจะอันนี้ขึ้นมาพิจารณาพิจารณาเพื่อให้เห็นเห็นอนิจจ์เหทุกขังนักตั เมื่อเห็นแล้วมันก็ไม่ไว้ใจมันไม่ไว้ใจมันไม่แน่ใจมันไม่กาะเกี่ยวมันไม่ผิดพันมันมันเห็นเป็นศัตรูมันเห็นเป็นพลิดมันเห็นเป็นภัยคือผิดมันเห็นเป็นความไม่เที่ยงของกายเป็นความเป็นทุกข์ของกายเห็นความไม่ใช่ตัวตนของกายเมื่อไม่เห็นแล้วมันก็ไม่กเกา มันก็ไม่ยมันก็ไม่ถือมันก็เห้เป็นอื่นจิตมันก็ถอนลงมามันไม่ผูกมันไม่พัมันก็เร้าปล่อยมันก็เร่ามาปมันก็เร้าเหเป็นอ tamam ื่นไปเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นสภาพของรูปเห็นเป็นนเห็นเป็นน้เห็นเป็นนมเห็นเป็นใบเห็นเป็นอาการ เป็นของเป็นและเป็นปันเป็นทั้งเนเป็นอาการแยกแต่ะอย่างในี้่ละอย่างรวมไปถึงมองเทะลุไปถึงเหตุของมันไปถึงปัจจัยของมันปัจจัยของโลกเป็นไงปัจจัยของนามเป็นยไงมองเห็นสิ่งนี้มีอยู่ด้วยปัจจัยด้วยเหตุด้วยปัจจัยเป็นอยู่ด้วยเหตุด้วยปัจจัยเกาะผูกกันด้วยเหตุด้วยปัจจัย มีความมีความเป็นอยู่มีความเป็นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยเราดูเราดูแล้วเราเห็นความจริงเข้ามาความจริงเข้ามาเนี่ยคือส่แกะความเป็นอยู่เข้ามาเมื่อก่อนเราไม่เคยดูเราไม่ยึดมันแล้วก็รุ่มหลงมันความสำคัญมันหมายว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างแท้จริงแล้วก็ต้องคัญเป็นแป่างทั้งหมดเป็นดุลเป็นแผ่นเป็นก้อนคือเราทั้งหมด คือรูปก so so ับธรรมนามันทั้งเป็นันเดียวกันหมาว่าเราเราเราคือบันกลายเป็นเมือเดียวกันเป็นเมือเดียวกันหมดแต่ถ้าเราเรารู้เริ่มใจด้วยจิตอย่างเล่กเข้าไปแล้วเราก็เห็นว่ารูปก็เป็นรูปนามก็เป็นนามคือตายก็เป็นตายจิบก็เป็นจิติตก็เป็นมะตั้งแต่นเรื่องในรองความเสอเราก็ต้องรี้แล้วว่ารูปก็เป็นรูปนามก็เป็นนาม จิกายก็เป็นกายจิตก็เป็นจิตเวลาเราทําความรู้สึกที่กายเราก็รู้ว่ากายกายก็กายก็คือกายเจิตพูดนะครับความรู้สึกคือผู้รู้ก็คือจิตมารู้ว่ากายที่ือส่วนกายความรู้สึกกับสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันรูประหว่างรูปกับนามโดยเหตุที่เราเกี่ยวข้องกันเราก็ทํารู้รับทราบ แต่มันเป็นคนล่างกันคนเะอย่างกันเกียับรื่องยรูปเรื่องนามนามก็คือใจเราพิจารณาหรือ่อเราพิจารณาอยงรูปอยู่อย่างนี้แล้วแต่ความยึดความผูกด้วยใจหนาตัวป่าหันตามหน้าของมันมันก็ค่อยยุบยุยุบไปยอาไปหาไปสลายไปเรื่อี่ว่าเรามารูไหมมาเข้าใจมันหรือว่อเราดูแล้วที่เราเข้าใจ ความที่เราเคยเคยลุ่งหลงเคยยึดเคยิดเคยอะไรกัไมันก็คลี่คลายตื่นจาวงไปของมันโดยธรรมัาตเพราะฉะนั้นถ้าจิตให้คนฟ้าถ้าที่ให้ศึกษาถ้าจิตให้พิจารณาถ้าเราไม่คิจารนาเราหลงเนี่ลกายหลงกายเราลกายเขาหลงว่าเป็นตัวว่าเป็นส่วนว่าเป็นอะแล้วปยดถือด้วยทิสผิดด้วยมานะด้วยอะไรเราจะเห็นว่า ความเป็นอยู่ของคนทั้งหลายทั้งัวในโลกที่เขาไม่ได้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้พาาให้เกิดความรู้ให้เกิดความเ็นให้เกิดความคิดใจงนี้มีแต่เรื่องที่ีมีแต่เรื่องแ่งยมีแต่เรื่องแย่ชมีแตเรื่องเอาเปรียบเปียได้เปมีเรื่องเล่นแหน่เล่นนอนมีแต่เรื่องเลโกมีแต่เรื่องมอง มองกันเพื่อดีเอากระเอาปิดกันอะไรไอแบบนี้ี่ก็คือก็คืออก็คือความรุ่งของนี้รุ่งของแบบเป็นเราว่าเป็นของของเราแล้มีความดุมีความขืนแล้วก็มีความเห็นแก่ตัวแล้วเห็นแก่ตัว แ, แ, ตแจกนะถึงขัง้นิดกันก็ผิดกันแต่กันจนทะเลาะกัน็นฆ่ากันจนจนฆ่ากันงาแต่กันง่าย่ากันงา ถ้าแชกันได้ถึงไหนก็ถกันมือด้วยกันยึถือโดยที่ิดมาด้วยกันไม่เห็นว่ากายก็คือกายใจก็คือใจต่ว่าเราไม่มีใครอย่แตกายเรามีคนนี้ถ้าเราไม่เล่นมาพิจารณาเรงกายให้เกิดความรู้สกเราก็จะารุ่มหนุ่มเื่อเราุมอนุ่มันก็เป็นก้อนเป็นแท้เป็นดนเนกันก็ต่างคนต่างมีที่ผิมาณต้องหา โลกทุกอ่ามีหาความสุขหาความสุขหาอะไรไ่ด้ตัวขึ้นอยางที่มนุษย์ทั้งหลายะจ่แตั้งหลายไม่ได้ศึกษาไม่ได้พิจารณากไม่เห้นไม่เข้าใจตรนี้มว่าไม่เหไม่เข้าใจตรงนี้าอะไรทีกอย่างตามอำนาจของสิ่งนี้คือทำามอำาของวามอย่างคาว่าความอยากมันก็แต่าอยางนี้นจะพิจารณไปตไหไปแต่อำวาจของามอยากนั้ บมื่อจกแล้วอย่ายังม yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. um. ีก็มีอย่าเกี่ยวกับเรื่องการท่รื่องของการตั้งหาตั้งหาเพาความยอยาอย่าเกี่ยวเรื่องวุการมการตั้หาอย่าเกี่ยวกับเรื่องพบเพราะว่าตั้หาอย่ามีความอยา แล้วก็ไม่พอใจกับสิ่งที่มีที่เป็นตามภาวะของมันแต่เราพยายามไปบังคับไปดึงไปขั้นไปบังคับไปกะไปเตือนให้เป็นไปตามใจวัของเราแต่ไม่ได้เป็นไปตามในหวังของเราแต่เราก็คิดจะทานั้นเอาบางอย่างของเราเขาเรียกว่าวิปโาวะการหาคือปฏิเสธสิ่งที่มันมีเป็นตามภาวะของมันแล้วก็พยายามกะพยายามเตืยนให้เป็นไปตามน้ำของจิตของเรา แต่กัดท่าไหร่ก็ผิดหงท่านั้นเกเท่าไหร่ก็ผิดหวังเท้านั้นหม่อผิดความก็เอาความทุกข์้มาเมื่อผิดหังก็เอาความทุกข์้มาอันนี้เลยคือผิดสมของมันิสมของจิตเลเพราะฉะนั้นเราทาสิ่งไ้รับความสนุกแล้วก็มาศึกษาเรื่องกาเกิบความรู้เกิดความามตตาถ้าเราไม่รู้เราไม่เใจก็เปียมันไม่มันไม่เป็นไปตามที่เรากะ ไม่เกิดการะทางอาราณ์เกิดโทรศัท์เกิดราคะเกิดโทรศอืทมีความรุ่มหลงว่าเป็นกายเขาเกิดราคะเกิดความกำหนัดในตัวเรามีความรุ่มหลงว่าเป็นกายเขามีความกำหนัดเกิดราคะในกายเขาเกิดราคะเรามีความต้องการทีส่งทุอย่างสามารถความมีนิิตที่มีความยั่ยืนอด้ แต่มีคนมาตัดมาขวงเราหรือนะไม่สมบงบแล้วก็โกรธ ม, มีคนมาขัดขวางล้วก็โกรธแล้วก็เครียดที่เรีกว่าโทรัทโทรศัโทศัมีับเพื่อจให้ทาลายได้แต่เราผัดนะที่ันนทกันได้ทั้งหมดนะ้ำบหม่เป็นบ้านเป็นมวองเป็นติเป็นประตูเป็นกองทัพทาให้รู้ ให้ความมีความคิด้าวิธีการที่จะจชนะการยึดถือทุกอย่าแล้วก็ดูดูตรงนี้คือสิ่งทีเป็นอาวีธยึตอกรณอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะบาดบ่ามัที่มันไปจากอานาจของความรุ่งขรงนี้เราต้องการจะทำให่โมีความสันติสุขแต่เราไม่เคยย้อนมันอยู่ตรงนี้แล้วก็แก้ปัญหายางผิวเผนเราแก้ปัญหากันเดแก้ปัญหาการัด เราไม่ได้แก้ปัญหาที่ขั้นมูลฐานของใจแก้ปัญหาที่ขั้นทูปใจไม่ได้แก้ปัญหาที่ขั้นนามฐานเอาเป็นเห็นเฉพาะหน้าแต่ไม่รู้ใจเห็นเฉพาะตัวแต่ไม่รู้ใไรมาพูกัเห็นหน้าตัอะไรกันได้มีความเข้าใจอะไรกันได้แต่ไม่รู้รเนนรเใเก็จะได้สามารถพูดตาจิงบางอย่างได้ แต่ว่าใจยังนันก็ไม่ไคิดอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นคนทานจึงสามารถทำงานได้งสองหน้าหน้านี่เราให้เหมือนกับชื่อสัจจินฺธีหน้านี้ก็หาเรื่องมาตอยมาปิดมาเรียวมันโยงปีมาทำร้ายเรื่องหนึ่ที่เรียกว่าปีทุ่ง คุณสามารถทำงานได้ทั้สองอย่างคนา่าดทางนี้เพื่อให้ได้มาซึ่น่ที่เจ้าของมีความมีความต้องการมีความเป็นไปของคนความเป็นไปของใจของคนของใจของสัตว์แต่ฉะนั้นกิจการที่เรามาศึกษาะสงค์มี ก, กิจการจุดปรงปัญหาจุงเป้าหมายเพื่อจะมาแก้ความทได้อย่างแท้จรเพราะฉะนั้นเรา ควรจะเพิ่มภูนิศรัทธาภาษา่ากันให้มากมีควา ม, าาามาเชื่อมความยุ่งเหงในพระพุทธเจ้าเ่งก็ทำก็ส่งพระพุทธเจ้าให้ใจเมื่อเราเป็นยังไงลมบดูมาให้ได้รับค ว, ม ว, มวมามา ล, าละโเมื่อจอิตเราตื่นเมื่อจิดเราหมไปพระพุทธเจ้าได้ปกฏแสงเาจีตของเราเะไดรับความลูโมของเราเริ่มตื่ เราเป็นสตัวเด่นมีความึ้นเป็นตัวต่วอี่มีความตึงมีความพุทโธคือพู้ตึงผู้เบิกมานเราเอาตัวสีแหลกให้เห็นพุทโธเป็นผู้ตึงเป็นผู้เบิกบานคำว่าเบิกบานคือความสุขัที่จะไม่แย่ม่ก่อน่วยมีพระองค์ราพุทธเจ้าอย่างน หมายเอาคุณภารมของใจที่เราฝึกฝนอบรมได้ที่แหลคือคุณอย่างิพี่ใหญ่นัคือคุณรรมอันนี้หมายถึงคุณธรรมที่ทเป็นส่วนประกอบที่มหาใช้ของเราตัวย น, นอกๆรัเราพิจารณาถึงค่าประวัติของพระอง์กเป็่านั้นมีความดำติอย่างนั้นปีิเสธหอกหย่านั้นทางความภาคความทีอย่างนั้นใต้ประสบผลเจอย่างนั้นคนผูคนโท อยากพัฒนาสงสันไปอย่างนั้นเก็ี่ยให้าเกิดความเชื่อโดยความยึดตเป็นความแกต่าศึกษาความเป็นไปของพระพุทธเจ้าของพระธรรมประวัติของพระสงฆ์พระอาญสงฆ์มัณฑนันท่านโกรายครูบาอาจารย์มัณฑนันท่านตามความผาผ่านที่อุตส่าห์พยายามจากนัอนจากนั้นนั้นทํานทำให้เราได้ข้อปฏิบัติตามน่าน ทำให้เราได้แนวทาง ต, ตามท่านเนี่ยเป็นได้เราเความเมื่อใคืเรามีความเชื่อคมเชื่อความเชื่อความศรัทธาเะแล้วพยายาม้ามนเข้ามามหาจุลนี่แหละมหาจุลเขาเกิดที่มีการต่อสู้กับข้อปฏิบัติของเราเนี่ยเมืมอ่อเราปรากเห็นแจ้่อั่อย่างที่อเชอย่างท่านว่าร่างกานับระว่างเป็นกายไม่ใช่ใส่ไม่ใชุ่กร กายกายกายมันเป็นอะไรคือมันเป็นเน่ยแต่วาเป็นดินก็คือเป็นน้ำก็คือน้ำมีดินชาดินชาดน้ำมีชาตงมีชาไปก็คือมันเป็นไม่มีเราหรอม่เราไม่ใช่ที่ปฏว่าทําลายทํานายจากกปทิ้งทําลายความนึกความที่เห็นสําคัญมั่นหมายรับเป็นกายจิตถ้าเราไม่ผ่านการพิจารณา ความคิดความยึดความเงียบความรู้ความเข้าใจยังดิบจัดจัดหยุดไม่ได้จัดเข้าใจไม่ได้เมื่อเราลงรบที่ว่าเป็นสภาวะธรรมเป็นสภาวะของอินทของน้ำของลมของไฟมันประกอบกันอยู่ได้ด้วยเท่าบอกด้วยท่าเพื่ออะไรของมันมีเกิดความมีความรู้ความเข้าใจความยึด ก็ยึดเคยถืออย่างเพ่งแพ่ก็ลดหย่อนความนุ่เบาลงไปที่เยว่าทำลายความนึกว่าเป็นกายของเราเห็นว่าเป็นสิ่งเป็นก้อนเป็นแผน่นไม่รีอยาอ่างมีึ่งนอีกซึ่งเราพึ่งาใส่ครับประกอบไปเรื่อยท่าดินทํทาน้ำท่าลงกลับไปการที่เราจะมองมอย่างนี้เราก็เอาจิตของเรามองกายก็เป็นส่วนของกายจิตผู้มองเห็นกายก็คือเป็นส่วนของจิต เห็นกายก็ว่าเป็นกายเห้นจิตก็ว่าเป็นิมีความเจ็ดสะพายมีความเกี่ยวข้องกันเรื่องมัวของกรรมอย่างนี้อะไรที่ทำมาขัดใจสิทธิ์ได้มีความรู้มีความเข้าใจว่ามีความเชื่ออย่ามีจิงใจลงไปโดยไม่มีใครสามารถจะมาเปลี่ยนตั้งหรอกเราได้ด้วยเหตุด้วยผนที่เรารู้เองนั่นเองประสบเอง เหตุของหม่ก็คือบุพีตความยึดความยับความอยากของใจมันมาหลอกมาหลีใจเราดูไปนะมันเกิดความรู้สึกว่าเป็นใจแับความรู้สึกได้จับความรู้สึกได้ว่าเป็นใจความรู้สึกว่าเป็นใจมันเป็นความรู้สึกที่หลอกมันเป็นความรู้สึกหลอกเกิดขึ้นเรื่อยมของที่ดีเกิดขึ้นเรื่อยมาของตาย คือเราเห็นตั้เหตุเห็นทั้งผลเราเห็นตั้งเหตุเห็นตั้งผู้ที่เข้าตรงนี้ความเป็นตัวดาบันเท่านั้นที่เป็นความเชื่อความเลื่อใสายอย่างปรับใจเนิบลงไปไม่มีใครสามารถจะถอนความเสื่มความนิ่งความเชื่อความเชื่อได้ความปรับใจได้เนื่องจาก่ติดมาตรงนี้เราเห็นเหตุตรงน้เห็นผลตรงนี้ ในการเกี่ยวข้องในการต่อกอมันกับเพื่อนตรงนีดีเห็นตัวจงใจไทยนแตเหตุต้องต่อท จ, จะให้เรามายึดมาเกาะมาเกี่ยวมาผูกพันกับใครนี้เห็นเหตุทำไมไม่เห็นเหตุทำไมก็ทราบแล้วว่าอาการเป็นคนมันมาจากเหตุอี่มันเหตุเหตอนนั น, อนนั้นคือทีอเ่เรศริกเกิดความรู้เกิดความเข้ใจที่มันนี้นคือสมนะัมักะ ก็เกิดขึ้นจากที่เราไม่กระจายนี้ความเท่าก็เกิดขึ้นจากการที่เราไม่เข้าใจนี้เกิดความรักความรักความชอบก็เกิดมาจากการถอนใจความนักก็เกิดความรักก็เกิดความเทงาเกิด โพรักเกิดโมหังเก อ, อะไระแต่คราพาดพราะฉนั้นถ้าเราเริรมรู้เรเข้าใจตรงนี้เราก็วางความรู้ความติดตรงนี้นะตอวางความร้ความตดตรงนี้ไไม่ล่มหลงไม่ล่มหลงโอกสโอกาสที่เราจะเชื่อรับใจมันกับลักวองเสียของผลนี้มันก็เป็นศักของเราไม่มี ใ, ใครสามารถจะมา มามาบเรียนมาบอกเราได้ว่าอันนั้นเป็นเหตุของอันนี้อันนี้เป็นเด็ุของอ น, นั้นโดยที่เราเชื่อการขเขาว่าการที่เราเชื่อนี้เราเห็นเห็นในตัวทุกลั ว, วโทรศัพท์เมื่อเราเรื่องบรี่เราาื่องกระชายโทรศัพทก็วางลง มันเบาบางไปเท่ารเรื่องที่ว่าเราสาคัญผิดเราก็ใส่ผิแล้วลเราก็เตะให้ผิดมานั้นเป็นประกาใจควังของเรานั่น่ไหน่ไมเป็นประการใจหวงังแล้วก็ไม่ดีเราก็ไม่พอใจเกิดความที่จเรียกว่าติดขัดเป็นความขัด ข, อ ข, อในในขอ้องภในหัวใจขึ้นมาเมื่อเราเศร้าสาเหตุส้มทอของมันมันก็เร่งตอ การนำมุเข้ามาข้างในขาหลกของหัวของผลภายในใจของเราการปัจจุบันของเราก็พอพอได้ช่องได้ทางพอที่จะเดิน้ปได้สะดวกอยู่อย่างมีทางเลยอยู่ยางมีงานทำอยู่ยังมีความเชื่อมีความเรื่องสแล้วก็มีความศรัทธาไม่ใช่อยู่อยมืดมืดทึ้ๆ ไม่มองเห็นเท่าเดทางเลยอยู่ยัางว้าเหวนะอยยางไม่มีความปกปุมภายในวอกอกมิดัวใจน้ำมแดงแ้หาความสุขหาความสงบหาความปลื้หาความติติดหาความยินดีหาความพอใจในเท่เขาปฏิบยต้เาอยู่ไม่มีความสุขอยู่ย่งมีความพอใจอยู่ยังความมั่นใจ อยู่อย่างยินมีพอใจกับเพศกับภาวะที่ตำลัีอยู่จะอยู่กับการกับเวลากับข้อปฏิบัติที่เรามีการทาอยู่ให้อยู่ก็เป็นมีความมีดีมีความพอใจโอกาสที่จะทำใหเรามีความก้าวหน้าขึ้น่ไปคือนกวาต่อไปก็อยู่กับที่จะเป็นไปได้ยิ่ง คิดไปคิดมาก็ดูศึกษาให้มานแล้วกันที่เกิดความเชื่อเกิดความมั่นใ่จับหลอกที่มันกับผลให้ได้ดูว่าเห็นกองพุกองผุร่างกายมันกองพุเราดูว่เห็นมันมมันเป็นกองพุมเป็นกองผุพวกไร กินทุงตืทุกเดินทุกนั่งทุกนอนทุกภาระสารพัดที่มาเกี่ยวข้อกับเราของใจดูดูใยเงาของดูว่าเหงาของมันกูลดูว่าเงาของของโครของมันที่ได้เกิดความเบืองเกิดความน่าและที่สำคัญที่สุดที่เป็นหลักที่หลอรลวงยาที่สุดเลยก็คือ ทำสิตให้ได้รับความสงบเมื่อได้รับความโงแล้วมันก็จะมองง่ขึ้นเราะมันมีสัจจานุกรมอยูสัจจานุกรมก็ในรูปร่างกายนนแหละมันมนว่างกายขอมเขามีมื่อจิตเมื่อม่ให้ออโอกาสที่จะลอยจางมามองนะคพับโอาที่มันจะมาตรงนี้ครับจะเ้เกิดความเชือ่อเกิความเลื่อมใสสัจจะย่างจริงจกับญาตมัน่มีแต่จิตใจ ในขณะเดียวกันเจรก็ตามมันพักมาทวงมาทุกมาตรีมาชักมาล่ามันป็นก็ไปตามมันหมดการที่เราจะหลงเขื่อนไปตรงมันเขื่อนเลยมันเขืนไปง่ามากมันสวมรอดแป้บเดียงเราตามมันไม่ทันกันรู้ไหมสอน้อนเมื่อมันตรงนรู้เรากรรมกันใเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ อย่างเรามันะวังตั้งอกต้งใจมสติในเรื่องความจำใจาดูเก็บไม่้องกับตัวเอาความรู้สึกอยู่กับไม่ต้องเก็ตลอดแต่คุณอากทำตัวเป็นแบบไหวัน้วันถ้าเราไม่อยู่กับท่าทีของการประจัญบรการภาวนา โอกาสที่มันจะเข้ามาชวมลอยลอยแพร่ทั้งหมดโอกาสจะเป็นร้อง ต, ตัวไม่มีเลมันสวมลอยลอยเลยเยอะมากผมพยายามใช้สติใช้ปัญญาดูมันให้เห็นให้เข้าใจทำอะไรก็เอาสิตอนนั้นอาจะเป็นเป็นเป็นอารมณ์เรามีสละที่จะทําทํามุ่นทำนี้รักผ้าเยา็บผ้าจัดผ้าปัดกวาด แช่ถูเราเอาสิมานั้นเป็นลารเอาเป็นตัวฝึกเอาเป็นเครื่องฝึกจิตเอาการเอางาน เ, าเป็นเครื่องฝึกจิตทำอะไรได้จิตอยู่กับอันนั้นอันเดียไม่ใช่ว่ามือก็ทําไปใจก็นึกไปยังเลิกเลยไปคิดดีไปคิดเสียอะไรคิดอะไรแต่ละผัดทับลอยท่านมีความคิดตามอําหลังของเรื่มันำมาได้หมดคิดไปคิดมา เสีใจกับนั้นเสีใจกับนี้คิดไปคิดมาเคลื่อนใจกับนั้นเคลื่นใจกับนี้คิดไปคิดมากําหนัด ก, กับทีนั้นกําหนัด ก, กับทีนี้เคลื่อนกับทีนั้นเคลือนกับทีนีนนน้มีอยู่แค่นี้แหละว่างเรียนอยู่แค่นี้แหละอย่าลืว่าความทุกข์ที่รุนแรงที่สุดก็คือใจคาดหมายเด า, าให้เป็นตามใจหวังสำเร็จผิดวังมีความทุกข์เรื่อยขึ้นมา คิดอย่างนี้น่าเองพราะผิดฆ่าผิดหมายผิดเดาเนื่องจากว่ามันไม่ไม่เป็นไปตามใจเราครับเราได้รับความทุกข์นี่แหละอันนี้แหละจะเป็นจุดจังนี้ยอันนี้เป็นความทุกข์ที่เราต้องพิิตรบางทีเรามาค่ามาหมายกันที่กายกายมันก็เป็นไปตามภาวะของมันเป็นไปตามปกติของมันเป็นไปตามคัดจิของมัน คติ ข, คออของขมันก็คือแบบนนใจทุกคำนักการนี่แหะคติของมันนะมันมันเกินอยู่ได้เหตุได้ผลใจของมันเหตปัจจัยส่วนห น, นึ่งว่าเราใส่น้ำใส่ลมใส่ไฟเข้าไปคืออาหารเราดูสิเราใส่ไปให้เต็มแล้มมันก็อยู่ขึ้นมาอยู่ขึ้นมา้วาก็วนขึ้นมามนก็รีขึ้นมาเนื่องจากว่าธาภ า, ายนอก มันเป็นอาหารเป็นปัจจัยของธาตพันเพราะเราใส่ปกเาไปนก็อ้วนขึ้นมาวนมนเป็นมีำลังรงากันมพอเราไม่ใส่ให้มันมันก็แฝกลงนะพอเราไม่ใส่ให้มันก็แฝกลงกาลังกำลังน้อยขดลงไปเนื้อหนังก็เหี่ยวย่นลงไปกาลังรังาก็อ่อนลงไปเนื้อกร เรานม่เคยเตี palm, and plets, and ้ยไม่เคยงเคยแล้วก <autres. S 2> ็เหียวลงไปเฉาลงไปลงไปถึงผ mm ิวผ <somos. S 2> ันอะไรก็เหียวลงไปเฉาลงไปซี่ลงไปนีคือเหตุปัจจัยของมันมาจากไหนมันก็มาจากอาหารคือ่าตภายนอกนี่เรารู้แค่นี้เราก็เห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันเราเห็นเหตุปัจจัยของมันทำให้เราไม่หลงกับมันหลงในไมายควฟางอะไรกินไปแล้วเอออิน นำสัมไรนั่งกายอ้วนดีลอยหลงเพลินไปกับไกลหลงเพลินไปกับความคลึกขนมนของกายเพลิหลงเพลินไปกับผิวผันอผิวพันความเต่งตึงความอะไรกไหของร่างกายใน่ไหมโอกาสที่มันจะทําให้เราเพลินนี้มากมายนี่คือคือรุ่มหลงอยู่กับมันในความรุ่มหลง แต่ถ้าอยู่กับมันด้วยการดูเห็นเหตุเห็นปัจจัยว่ามันมันจับมันค่อยยุบลงแล้วในที่สุดมันก็จับไม่หลบไม่หลงเพราะว่าเราเห็นสัจจคุณของมันถึงความเป็นจริงของมันเห็นความเป็นอยู่ขอมันมีอยู่นี้เป็นอยู่อย่างนี้มันชกออกแบบนี้มันเป็นภาระอยู่อย่างนี้มันเป็นภาระอะไนก็ดู้เอาคิดลื่มหลับนอนอุจจาระปัสสาวะรู้เด้อ โสโครปีกูนโสโครเราดูมันมีสาพอย่างนี้เมือไข่ไหลย้อยน้ำหูน้ำตาน้ำโูน้ำโม้น้ำควดดูละดูะพี่ถ้าเราไม่ดูนี่เพลินกาหนั่ เรมือนโครงขนาดไหนเราไปยังมีความขนาหนึ่มีความกำนักที่สิบมองเห็นสองเห็นอสุภะเ น, น่าแฟ้ยมันไม่ไช่มีความกำลังมันมีความกำลังที่สิบแล้วดูสิ่งเหล่านั้นไปยอดไปที่สิบดูสิ่งแล้วลก็มองไปที่สิ่งเห่านันดูสิ่งแล้วก็มองไปที่สิ่เราทำได้แค่นี้มันเป็นการกะตุกเป็นการยักยอก ก็จะเชษยามมองกายให้ให้เห็นเหตุเหตุปัจจัยของมันถ้าไม่เห็นเหตุในปัจจัยของมันมันหลงมองมองมันอยู่กับมันด้วยความนุ่มนลหลงเพลินไปกับมันหลงเทินประับกายหลงเพลินไปเราคิดคิดแล้วมันพาหลงกิเลนันเป็นตัวพาให้เราหลงเลินไปกับมันยามรู้านข้างในงานภายใน ไเดี๋ยวพายุมาแล้วกลับไปได้